<c oughs> พร้อมอยังถ้าพร้อมรอตั้งใจฟังคติใน <c oughs> การฝึกการปฏิบัติเบื้องตนซก่อนก่อนที่จะนั่งสมาธิฟังเสียงธรรมภาคปฏิบัติของดวงตาท่านเพราะพวกเรา ส่วนพระสงฆ์องค์เจ้าก็ยังว่ามีทั้งเก่ามีทั้งใหม่แต่ทายาทโยมบาศกุบาจิกาก็เหมือนกันมีทั้งเก่ามีทั้งใหม่อว่จะเข้าใจหลักการแห่งการฝึกมันต้องอาศัยการฝังอาศัยการตั้งใจฝังตั้งสติฟัง ฉะนั้นการฟังเพื่อการฝึกฝึกคือการปฏิบัติปฏิบัติคือการฝึกตัวเองนั่นแหละเราจะเอาอะไรมาเป็นแนวทางการฝึกที่ว่าฝึกฝึกในใจของพวกเรา มันอยู่ในฐานะอย่างไรจรึงจะมีการฝึกตามธรรมดาพวกเราอย่างเป็นสามัญชนอย่างเป็นปุถุชนอยู่ลอยทางลอยใจของพวกเราย่อมเหนืออารมณ์ของกิเลสโลภโกรดลงและตัณหามาเป็นเครื่องประสานกับกิเลส ฉันั้นใจของเราจึงมีเหตุให้เกิดความฟุ้งซ่านความลำคาญไม่มีความสงบสุขแบบธรรมชาติไม่มีความสงบอบอุ่นภายในจิตใจแบบธรรมชาติฉังนั้นการฟังเพื่อจะได้เข้าใจว่าใจของพวกเราอยู่ในรักเท่าน้ ของกิเลสอารมณ์ของกิเลสตัณหานะั้นมันเป็นยังไงแล้วฟังเรื่องข้อปฏิบัติเรื่องศีลเรื่องธรรมนะั้นมันมันเป็นยังไงดูอะไรมาเป็นเครื่องวัดเป็นลักษณะที่จะรู้ตัวเองว่าใจของเราเนะี่ยอารมณ์ในจิตใจของเราเนะี่ยควรจะมีอะไรเป็นเครื่องอยู่ ควรจะมีอะไรเป็นเครื่องนึกเครื่องคิดตรงนี้เราจะได้รู้จักแย่เพราะหน้าที่ของพวกเราให้เข้าใจหน้าที่นักบวชและอุบาสกอุบาสิกา ถ้าเผื่อพวกเราเข้าใจหน้าที่ของพวกเราชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเราจะมีความสงบอบอลมีความสุขกายสบายใจตามฐานะถึงจะเป็นคารวะญาติโยมบาจกบาธิกากรรมพระพุทธเจ้าสอนอานิสงส์ของการรักษาสินสินเวนจากความชั่วได้นะ ท่านกบอกอานิสงเลว่าสีเลนะสุกติงเยนติถ้าเผื่อผู้ใดยึดมั่นตั้งมั่นงดเว้นจากความชั่วตามหน้าที่ของพวกเรานั่นจะมีความสุข ก, กายสุขใจความหมายภาษาเรานั่นแหละและสีเลนโพคสัมปทา ถ้าเพื่อพวกเรายืดมั่นตั้งมั่นอยู่ในลักษณะของศีลในการจิย์ยาที่แสดงออกจากการกะระทาและคำพูดของพวกเราอยู่ในขอบเขตของความเป็นศีลเป็นธรรมนื้คิดด้านจิตใจอยู่ในขอบเขตของความเป็นศีลเป็นธรรมผลก็คือความเรียบร้อย ความเรียบร้อยมีที่ใดมันจะเกิดลักษณะของธรรมธรรมนั่นคือความงามธรรมนั่นคือความสุภาพสุภาพเรียบร้อยเป็นภาษาที่มนุษย์คนเราโดยเฉพาะพวกเราชาวพุทธ ที่นำใช้นำโพสกันอยู่นั่นน่ะจุภาพเพียบร้อยสุภาพเพียบร้อยหมายถึงลักษณะความดีที่เกิดขึ้นจากจิริยาลักษณะของบุคคลฉะนั้ น, น่ะพวกเราอยู่ในฐานะของเป็นนักบวช พระสงฆ์องค์เจ้าพระสงฆ์องค์เนนหรืออุบาสกอุบาสิกาถ้าเผื่อพวกเรามีความตระหนักหน้าที่ของพวกเราจะฝึกกายฝึกวาจาฝึกใจของพวกเราให้มีความตั้นึกรู้ตัวเออเนี่ย การกระทาของพวกเราอย่าให้มันมีปัญหาคำพูดพวกเรามี ต, ติพูดอย่าให้มันเกิดปัญหาขึ้นจากคำพูดจากการกระทาทุกอย่างมี ต, ติสิระวังตัวระวังตัวแม้ในความคิดดดันจิตใจ ระวังความจิตระวังตัวระวังตัวอันนี้เป็นเครื่องบ่งบอกถึงความเป็นธรรมชาติไม่ว่าใครและที่นี้ <c oughs> มาได้เห็นได้ยินได้ฟังที่พวกเราชาวพุทธแสดงออกตามหน้าที่เป็นพระสงฆ์องค์เนรหรือบาสุบาสิกา จะทำให้เกิดศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสเกิดขึ้นจากบรรดาทุกชาติฉันบรรดาเพราะความดีที่แสดงออกตามลักษณะของศีลของธรรมในกิริยามรยาตนะ่ะ เนจัยของผู้ไข้ควรในเหตุในผลมันเกิดความสำนึกมันเกิดศรัทธามันมีศรัทธาอยู่ในความสำนึกอันนั้นน่ะฉะนั้นนะบุคคลผู้ต้องการบุญอาในิ่งจากการเสียสละทำบุญให้ทานเนี่ย เขาทำด้วยความเต็มใจมีน้อยทำน้อยมีมากทำมากตามกำลังกัตทาของเขาฉะนั้นชีวิตของความเป็นอยู่ของผู้ปฏิบัติธรรมจะเป็นพระสงฆ์องเนรหรืออุบาศกุบาศกาพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าโพคะสมบัติสีเลนโโคกสัมปทา ปัจจัยสี่มีพออยู่พอชินพอใช้พอสอยไม่ได้ลำบากกาบกังอันนี้อานิสงส์ของโูตนนักตามหน้าที่ของพวกเรามีศิลเป็นเครื่องวัดมีศิลเป็นหน้าที่ เลนะนิพพุติงยันติจะพ้นจากทุกข์เข้าสู่มรรคผลนิพพานได้ก็เพราะศีล อ, อันนี้ท่านว่าบอกอา น, นิสงส์งเอาไว้แล้วความจริงมันก็จริงอย่างนั้นทีนี้เราเคยได้อยู่กับครูบาอาจารย์เคยได้ศึกษาจากครูบาอาจารย์มา ไอเรื่องเหล่านี้เราไม่ได้สงสัยชีวิตความเป็นอยู่ในเรื่องออจะตกประใจประใจสิอยู่ในสำนักของครูบาอาจารย์ไม่เคยมีปัญหาเรื่องนี้เราจึงเห็นอานในสงได้ชัดแลวเออเนี่ย เพราะท่านสอนเน้นหนักอยู่ในลักษณะของความเป็นสิมเป็นสิมเป็นธรรมทางกายทางบาจาและจิตใจท้นั้นอะไรทุกอย่างที่อาในสงแบบอาศัยเพียงแค่มีความสุขกายสบายใจอาศัยปัจจัยสีเนี่ย เราไม่สงสัยแม้แต่ข้อปฏิบัติทางด้านจิตใจเพื่อจะชำระในสิ่งที่เป็นทุกข์เป็นโทษออกจากดวงจิตดวงใจด้วยอำนาจของศีลของธรรมเนี่ยชำระโลภโกรธหลงตัณหาที่มีในใจกิเลสเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ตรงนั้น แล้วก็ไม่สงสัยตรงนี้นี่เองพวกเราผู้สนใจในแนวทางของศีลธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าให้พวกเราเข้าใจหน้าที่ของพวกเราศึกษาเรื่องของศีลของธรรมเมื่อเข้าใจแล้วเราจะได้ฝึก เราจะได้ปฏิบัติกายของพวกเราวาจาของพวกเราใจของพวกเราให้อยู่ในลักษณะของศีลธรรมให้อยู่ในจริรยาที่จะออกที่จะแดงออกอยู่ในขอบเขตของศีลธรรม อย่างเซนถ้าตามสิกขาบทพวกเราทุกท่านทุกคนก็เข้าใจแล้วอันนั้นยังไม่พอสิกขาบทแต่ละขอ้ขอแต่ละขอ้อแต่ละข้อพระพุทธเจ้าสอนว่าอันนั้นน่ะเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ให้พากันดิบให้พากันเรี้ยงให้พากันเวนอย่าไปทําเมื่อรู้ตัวอย่างนั้นแล้วอะ ปฏิบัติฝึกฝึกละฝึกปล่อยฝึกว่างในสิ่งเหล่านั้นมันไม่จำเป็นอะไรเมื่อเราไม่ได้ไปทำทุกทำโทษตามที่ขาบทมากน้อยความวิปฏิสารเดือดร้อนด้านจิตใจของพวกเราเนี่ยมันก็ไม่มี อันนั้นมันเป็นเรื่องส่วนอยากส่วนเรื่องของใจทีเนี้เ <c oughs> พราะเรื่องของกิเลสโลภโกรดหลงมันไม่ได้อยู่ในจิริยาที่การกระทําทางนอกมันไม่ได้อยู่ในลักษณะเพียงแค่นั้นมันอยู่กับใจทีเนี้ เมือ่อจินตนากาโลภโกหลงตัณหามันอยู่กับใจจึงมาเรียนรู้จิตญาของมันลักษณะของมันและก็มาเรียนรู้ลักษณะของศีลทิ่้เราจะได้แยกกันออกได้ลักษณะของศีลศีลคือความเรียกรอยศีลคือความปกติปกติใจน่ะนะ ท่านว่าอย่างนั้นสินคือความปกติใจมาตั้งใจตั้งสติใจของพวกเราถ้าเผื่อยังไม่ได้ฝึกจะไม่มีใครเราไม่จะเกิดขึ้นเองเรื่องใจปกติดีมันเป็นไปไม่ได้ ฉะนั้นจึงมาฝั่งลักษณะของเสินเสินคือความปกติใจเจินคือความเรียบร้อยแล้วจะมาฝึกหรอตั้งอยู่ในออตั้งใจขึ้นมาตั้งเตตะตขึ้นมาดูใจเราจะปรับความสํานึกปรับความรู้สึกใจของเรานั่นให้อยู่ในลักษณะของความเป็นปกติเด สีลังสีลาเหมือนก้อนเห็นเหมือนภูเขาลมมาทุกทิศทุกทางแดดมาทุกทิศทุกทางฝนมาทุกทิศทุกทางก้อนเห็นภูเขานั้นจะไม่สั่นสะเทือนเลยสีลังสีลาเปรียบมันก่อนเห็นอเทศินอเทคือความหนักแน่นอเทคือความยิ่ง อธิศินอธิศีลสิกขาอธิกิตตสิกขาอธิปัญญาสิกขาอันนี้ตำลาทาว่าไว้ฉะนั้นนะคาว่าอธิสีลสิกขาเคยเสีนยนเย่งซึ่งลักษณะของความหนักแน่นไม่หวั่นไหวคือความปกติของใจนั่นเอง เกิดเองเป็นเองไมอันเนี้ยไม่เป็นไม่เกิดจึงมีการฝึกทำไมมันจึงไม่เกิดเองเป็นเองเพราะใจของเรานั่นน่ะมันอยู่ในโมหะความหมงหลงวิ่งไปตามกระแสะของกิเลสทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนหาความเป็นปกติไม่ได้มันจะเป็นปกติได้อย่างไรเรื่องกิเลส ความโลภมันเป็นปกติไม่ไ ด, มด้ความโกรธความหลงก็เป็นปกติไม่ได้ไม่เป็นตัณหาทั้งหลายก็เป็นปกติิริยาของกิเลสตัณหาไม่มีลักษณะไหนที่จะอยู่ในความเป็นปกติได้ฉะนั้นใจของพวกเราอยู่ในอั น, นาจส่วนนี้ตั้งแต่วันเกิดมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยแม่เดชชาติพวกเราก็ หลงไปตามกระแสของอารมณ์ของกิเลสตัณหาอยู่อย่างนี้ทั้งนั้นทั้งนั้นทั้งนั้นจับมากหรือน้อยเท่านั้นเองถ้าอารมณ์ของกิเลสตัณหามันน้อยในพอยับยังได้อันนั้นอาเนส่งวาตนาบาลมีของพวกเราเคยได้ฟังได้ฝึกกลายเป็นวาตนาบาลและมีพอจะเกิดความสำนึกตัวขึ้นมาได้มันต่อเนื่องมาหลายพบหลายชาติ ฉะนั้นความดีลักษณะของศีลของธรรมนีน่จึงไม่เหินห่างจากดวงจิตดวงใจของมนุษย์คนเราไม่ใช่เฉพาะพวกเรานะมนุษย์เกิดมาในโลกมันมีความดี <c oughs> คือบุญคือกุศลนี่พามาเกิดแต่ท่ามกลางชีวิตการเกิด มันจะได้เหมาะสมกับ <c oughs> สิ่งแวดล้อมลัทธิสาสนาอะไรเท่านั้นเองถ้าอยู่ในสิ่งแวดล้อมลัทธิอื่นศาตนาอื่นเกิดขึ้นมามาเจอมาเจออย่างนั้นจาเป็นก็เลยศึกษาในลักษณะนั้นเข้าใจในลักษณะนั้น อย่างที่พวกเราผ่านไปผ่านมาสับย่อย่อของผู้หวังดีอยากให้มีความเชื่อในศาสนาพราะเยซูท่านเตติโนนต้นไม้สูงสูงเยที่อะไรหลักสูงๆูงต้นไม้สูงสูงมผู้มีความเชื่อปรารถนาดีเออนี่เป็นคำคาย่อสั์ จากศาสนาท่านมาเขียนประกาศให้มนุษย์คนเราผ่านไปผ่านมาได้อ่านและเกิดความตันนึกอย่างบางศัพท์บางคำท่านเขียนไว้ว่า <c oughs> ความตายนั่นคือบาป ถ้ามาแปลเป็นภาษาพวกเราชาวพุทธมันจะเข้าใจกักนแดยคนละแยนส่วนความหมายเจตนาของท่านผู้เอามาติดประกาศไว้นั้นท่านก็เจตนาเพื่อให้เข้าใจตามความเป็นจริงตามท่านแต่พวกเราชาวพุทธนี่จะเข้าใจอีกลักษณะนึ่ถ้าวความตายคือบาป เพราะพระพุทธเจ้าภาษาเราก็ว่าตายพระสาวกสาวิกาและก็ตายเพราะดวงจิตดวงใจออกจากรูปร่างนั่นเรียกว่าตายภาษาธรรมเรียกว่าจุติแต่ดวงจิตดวงใจดวงพระไทยของพระพุทธเจ้านั่นนะ <c oughs> ถึงจะออก จากรูปร่างพระไทยของพวงท่านบริสุทธิ์คือไม่มีโลภโกรธหลงตัณหาในพระไทยจะอยู่ในรูปร่างหรือจะออกจากรูปร่างก็ไม่มีปัญหาเลยแยกสัตว์แยกส่วนกันออกจากรูปร่างแยกสัตว์แยกส่วนออกจาก อำนาจของทิเลตันหาอยู่ในฐานะพ้นจากความเป็นทุกข์ทั้งส่วนเหตุทั้งส่วนผลแม่สาวกสาวิกาอนกันตามเตเดจประพุทธเจ้าด้วยวิธีการทำดวงจิตดวงใจของตัวเองเลยพ้นจากอำนาจของลอบโกโดองตันหา แม้ชีวิตของท่านจะยังอยู่ท่านก็พ้นจากอำนาจโลภโกรธหลงที่เหลือปัญหานี่หรือจะจิตออกจากรู ป, ป, ปออรป่างก็ไม่มีปัญหาโยก็ไม่มีปัญหาจุติออกจากรูปร่างก็ไม่มีปัญหาแล้วแต่เน้นถ้าเปื่อคคำว่าที่ว่าตายเนี่ยคือบาป ภาษาศัพท์ทางพวกเราชาวพุทธเนี่ยมันยังไงยังไงอยู่เพราะท่านมันอธิบายไว้พระเยซูตายไปหรือเปล่าเอา้าถ้าพระเยซูตายตายไปพระเยซูก็บาปมันยังอยมันคิดอย่างนี้นะแบบภาษาที่ภาษาใจชาวพุทธทำ ถ้าเอาย่อๆ อ, อ, อย่างที่ว่านันอันนี้ก็เป็นเครื่องแสดงออกว่าแนวคิดจากการศึกษาจากการฟังแตที่สิ่งแวดล้อมชีวิตการเกิดขึ้นมาแต่นั้นพวกเราสิ่งแวดล้อมการเกิดขึ้นมาท่ามกลางของพระพุทธศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้า สอนในเหตุในผลฟังแล้วเข้าใจอย่างที่กำลังเน้นหนักนำฝึกลักษณะของสินสินคือทำใจให้เป็นปกติสีลังศีลาความปกติดีของใจเราจะมาเรียนรู้ตั้งใจขึ้นมาในกันเออใจปกติเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ ใจไม่ปกติก็คือมันคิดฟุงซ่านลำคาญฟุงซ่านน้อยขาดความปกติน้อยก็ อ, อยังชั่วหน่อยถ้าฟงซ่านมากเป็นทุกข์มากวุ่นวายมากนั่นขาดความเป็นปกติมากมีปัญหามากเราไม่ต้องการเมื่อมาเรียนรู้แล้วขนาด น, นี้เรามาตั้งใจ เอาลักษณะของศินของธรรมเนี่ยมาเป็นพื้นฐานการฝึกฝึกใจของเราให้อยู่ในลักษณะของสินของธรรมธรรมก็คือตติธรรมนั่นแหละสมาธิธรรมนั่นแหละขันติธรรมวิริยณธรรมแล้วแต่จะยกธรรมประเภทไหนขึ้นมาเป็นเครื่องฝึก ดังเมื่อเรียนรู้ลักษณะของศีลดูลักษณะทำก็ดูลักษณะเราจะได้รู้จักหน้าที่เนอหน้าที่ใจของเราเนี่ยให้อยู่ในลักษณะของความเป็นปกติทุกอาลัยบทยืนเดินนั่งนอนการฟังได้ปกติดีใจปกตินั่นมันดีคือมันไม่มีปัญหามันไม่วุ่นวาย หรือจะเรียกอีกศัพท์หนึ่งก็คือมันรู้จักละปล่อยวางเรื่องไม่ใช่เรื่องหรือจะเรียกอีกศัพท์หนึ่งว่าใจของเราสงบก็เลือกแต่จังหวะดังนั้นการฟังเพื่อให้รู้จักหลักใจในการฝึกต้องทำเป็นพื้นฐานของ ทำส่วนอื่นกับลักษณะของสิลอย่างเทวานี้สิพพานเข้าใจที่นี้ต่อไปเอานั่งสมาธิฟังทำภาคปฏิบัติจากเครื่องบันทึกเสียง